รอยธาตุรู้ข้าพเจ้าติดอยู่กับผู้รู้เป็นเวลาสองปีเต็ม ในที่สุดพระอาจารย์ท่านได้เทศโปรดให้ข้าพเจ้าปล่อยท่ารู้นี้โยมจะจับไว้ทำไมกันปล่อยไปเสียเถิดโยมไม่มีสิ่งใดที่จะหนักเท่ารู้อีกแล้วโยมจะจับไว้ทำไมกันข้าพเจ้าก็ตอบอาจารย์ไปว่าผมปล่อยไม่เป็นหรอกครับอาจารย์ปล่อยไม่ได้ไม่รู้จะปล่อยยังไงอาจารย์หยิบหนังสือขึ้นมา แล้วก็ปล่อยลงมาปล่อยอย่างนี้เลยโยมปล่อยได้ไหมข้าพเจ้าไม่มีปัญญามากพอที่จะปล่อยท้ารู้นี้ได้มันจนปัญญาจริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ครูบาอาจารย์ได้ช่วยโปรดข้าพเจ้าอยู่หลายครั้งหลายหนด้วยกันข้าพเจ้าปารรพกับตัวเองว่าท้ารู้นี้มีชีวิตจิตใจแล้วเราจะปล่อยวางได้อย่างไร พิจารณาวนเวียนอยู่อย่างนี้หาทางออกไม่ได้เลยจิตกังวลอยู่กับจิตจะปล่อยก็ปล่อยไม่เป็นจะเอาไว้ก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องรู้สึกว่าเป็นภาระรุงรังน่ารำคาญมากทำาไมเรายิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดความทุกข์จะนอนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะกังวลกับการปล่อยท่าุรู้ พิจารณาวนเวียนเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างข้าพระเจ้าไปสํานักที่อาจา์พักอยู่หลายครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านมาโปรดถึงบ้านไม่ต่ำกว่าเจครั้งด้วยกันแต่ข้าพระเจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจได้จึงตามไปที่สํานักของท่านถึงสามสี่ครั้งด้วยกันในแต่ละครั้งจะไปกราบท่านท่านจะเทศโปรดวันละสามเวลาล้วนแล้วแต่เทศเรื่องการปล่อยท่ารู้นี้ทั้งสิ้น แต่ข้าพเจ้าเองไม่มีปัญญาพอก็เลยไม่สามารถปล่อยรู้ได้ครั้งสุดท้ายไปกราบท่านเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2536ท่านได้เทศโปรดอยู่3วันวันละ3เวลาข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถปล่อยรู้นี้ได้เหมือนครั้งที่ผ่านมาจนวันที่5พฤศจิกายน2536เวลา4โมงเย็นซึ่งข้าพเจ้ากำลังเตรียมตัวกลับบ้าน โดยคิดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจว่าชาตินี้คงไม่มีวาสนาที่จะสามารถปล่อยรู้ได้ทันใดนั้นอาจารย์ได้กล่าวขึ้นมาว่าโยมเวลามีสิ่งกระทบโยมก็ปล่อยรู้แล้วมาจับสิ่งที่มากระทบแต่ในขนาดที่ไม่มีสิ่งกระทบโยมก็มาอยู่กับธาตุรู้อีกเอาอย่างนี้ได้ไหมโยมเมื่อมีสิ่งกระทบ โยมก็ปล่อยทั้งสองอย่างไปเลยเวลานี้โยมเปรียบเหมือนหนอนคืบเมื่อมาจับที่หัวก็ปล่อยหางเมื่อจับหางก็ปล่อยหัวให้โยมปล่อยทั้งสองอย่างไปเลยได้ไหมเท่านั้นเองเข้าพเจ้าถึงกับตะลึงสะดุ้งขึ้นในใจและขณะเดียวกันนั้นทั้งทาารู้และสิ่งที่ถูกรู้ เหมือนมีพลังหนึ่งมาสะบัดอย่างรุนแรงธาตุรู้และสิ่งที่ถูกรู้นั้นกระเด็นออกไปในทันทีและเกิดธาตุรู้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นผู้รู้อยู่ภายในคือตัวที่มองธาตุรู้ตัวแรกและสิ่งที่ถูกรู้ที่กระเด็นออกไปปรากฏเป็นรู้ปัจจุบันขึ้นมาทันทีเป็นธาตุรู้ที่ไม่ต้องประคองไม่ต้องจับไม่ต้องกำหนด ท่ารู้นี้ไม่มีหายไม่มีเกิดไม่มีดับท่ารู้ตัวใหม่เป็นอิสระเสรีโดยที่ไม่มีเราเป็นเจ้าของเหมือนแต่ก่อนเป็นท่ารู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นปัจจุบันธรรมเป็นกลางๆไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่กินเนื้อที่ปราศจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งสิ้น ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนมากสมมุติที่ฝังโจมอยู่ในจิตคือถ้ารู้ตัวแรกนั้นดับไปพบชาติทั้งหลายที่ติดแน่นอยู่ในจิตมานานแสนานานนั้นได้ดับลงพร้อมกันในขณะนั้นอวิชาดับไปโดยสิ้นเชิงพร้อมกับประกาศชัยชนะเหนือกิเลสทั้งหลายอย่างขาวสะอาดในสามแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีกิเลส ท, ที่จะก่อกวนอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นตัวเป็นธรรมพร้อมกันหมดทั้งภายนอกและภายในความเป็นกลางความสะอาดความบริสุทธินั้นก็หมายถึงจิตดวงนี้เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือจิตดวงนี้ดังที่พระผู้มีพระพักเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคตซึ่งก็คือการเห็นจิตที่บริสุทธิ์ณปัจจุบันนั่นเองจิตที่บริสุทธิ์จึงเป็นจิตที่อยู่นอกเหนือเหตุและผลเหนือสมมุติเหนือบัญญัติเหนือเกิดเหนือดับเรียกว่าเป็นวิมุติหมดภาระหมดสิ้นการงานหมดคำพูดจึงหยุด แล้วปล่อยคาว่าหยุดลงเสียด้วยสมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าไม่มีธรรมใดที่ไม่เป็นโมคะนั่นหมายความว่าสมมุติทั้งหลายที่เคยติดแน่นในจิตเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสมมุตินั้นแล้วสมมุติก็เป็นโมคะหรือหมดความหมายไป